เป็นสัาเลือกเดียวกันจะเป็นนรู้หรือพลวาตก็อันเดียวกันเรามาเจริญสติสติก็อันเดียวกันไม่ว่าของพระอันหึงของโยมอันหนึ่งคือแารเราม่กายก็แบบเดียวกันเราไมีใจก็อันเดียวกัน ควมโกรธก็มือนกันควมทุกข์กรธเหมนกันถ้าผันโกรธเราก็เคยถูกเราเคยทุกข์แต่ถ้าดับความโกรธได้ดับความทุกได้อัเดียวกันดีไม่ใช่คนลเราจึงมาศึกษาเรื่องเยูแ่ผู้สอนก็สอนมา ความ็ควงง่ายปฏิบัติก็งาไม่ต้องปหาบคที่ไหนันอยู่กับเราในเรียกว่าปฏิบัติธรรมมาเอามบัติมาบาเมื่อก ประเทศไทยเนยมีจ้นนาปัดเป็นเงินใช้นี่ตามกฎหมายเงินจ็บเงินห้างเงินร้อยเงินพันคะไรเงินแบ่มีสิทธิเท่าเทียมกันถ้าเรารู้จักธรรมะ ม, มีมรดกธรรมแล้วมีสติแล้วสตินี่ก็แปลสภาพไปเป็น อะไรก็ได้ความดีทั้งหลายมือ น, นก็เรามีเงินไปกินข้าวก็ได้ไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่มานุ่งก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอค่าลบค่าเรือได้ น, นกสร้างบ้านสร้างเรือนนุได้สติก็เหมือนกัน อะไรที่มันเกิดจากการจิตใจไงที่เป็นปัญหาต่างๆก็มีสติก็ไปให้สภาพไปเป็นปัญญาไปเป็นสีไปเป็นสมาธิไปเป็นรูอะไรต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานอกตัวเราก็ได้ความไม่เที่ยงในตัวเราก็มีมีสติ แต่ความไม่เที่ยงไม่มีสติก็เป็นทุกข์ถ้าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเรากับคนเดียวถ้ามีสติัที่เป็นทุกข์มันเป็นมันสติ <c oughs> มันใช่้ชได้หลายอย่างแปดหมืนสี่พันอย่างเราจึงควรจะมี สติสมัญญาถ้าเป็นมรดกของชีวิตเรา อ, อย่าไปหาแต่เงินแต่ทองจดไม่รู้จักทองแต่ว่าสติไม่มีเลยโดยทีุ่ดก็้อมีปัญหาสมัยหลวงพ่อไปปฏิปทาข้างแระเกีเ่ยร้อยก้าห้ารอยสิมี คนมีเงินคนมบ้างใกล้กันรู้จักกันเลยเป็นผู้เท่ามีเศรษฐีข้าวเศรษฐีที่ดินได้ข้าวเป็นสองหมื่นสามหมื่นปีบปีนหนึ่งปีหนึ่งเขามีเงินมีทองเยอะให้เขาไปยืมเงินแต่เขาไม่ใช่นี่ไม่ได้เอาหนี้มาให้แ ม, ม, มาเงินมาก็เป็นทุกษ พ่อเป็นูก็ทําไมทําเงิเนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หรือพกงไว้ก็ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับผลวง่อเขาก็เป็นผู้ถูกของพ่อเป็นคนหนึ่ง้ที่ถูกก็ได้รับผลดีธรรมจากหลวงพ่อเตียนเพราะการปฏิบัติธรรม เลยเลยไม่ต้องทุกนั้นมาก่อนได้อยู่เจนนั่น2ปี3ปีอยู่ด้วยกันเขาเคยช่วยหลวงพ่อบ้างสมัยิหลวงพ่อปฏิบัติใหม่ใหม่ก็ชอบแต่สมาาิ เจ้าพุทธายกโทรสร้างจังหวะ น, นี่แบบไม่คก็ไม่ค่อยโจงกับนิสัยเท่าไหร่เพราะไม่เคยทำแต่บแบบพุโทโธรรมาตั้งแต่27ปีพอทำไปกันไปไมันก็เบื่อมากไม่ทนตัดนั่งข้อใหญ่นี่ก็มาเอาไปนั่งอยู่นิ่งๆทำไมต้องสร้างไปว่า ไปนั่งอยู่แล้วล่ะตายเปแล้วว่ารู้กีดปีไปรู้อะไรเลยเขาพูดคว่าสอนจริงๆ้เราก็รู้ขึ้นมาเขาดูแลเราเวาเราตั้งอยู่ใกล้ๆกันเดินก็เดินใกล้ๆกันเขาค่อยดูแลค่อยบอกไปสอนอย่างคิดถึงท่านอยูดานี้แล้วเสียชีวิตแล้วเบอกอย่าลืมาะ หลวงพก็พาเอาร่างกายนี้ไปมอบให้กับโรงวยบานศีนักดีนคนเจ็บไปมอมบศพให้ตรงพยาบานพ้อมันเขาก็เอาศพไปไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เสร็จเขาศึกษาจบแล้วก็ เขาก็ดูว่าเขาจำบวนที่บ้านพ่อเคยไปเขาไปเปันาไหเรายึงควรจะมีมอระบบธรรมทั้งมาหลกวัต ถ, ถุกันของทรัพย์สินเลือดสูญเลนะ่ง์าอย่าเป็นคนที่เขียดเี่ข้าเจ็บหอมรอบริบให้พ อ, หอได้อาศัยได้ตามทุกวัน แต่ว่าการที่จะมีธรรมะ ม, มันก็ยิ่งกว่ารักไานอกความโกรธเอาเงินมาแค่ขไขอะไรความทุกข์ใหญ่เอาเงินมารักษาอนไรต้องมีธรรมะความภาคแต่ของรักของเยออใจทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าไม่มีมโลกธรรมวาม่าที่จะทุกข์ ทุกนี่มีทุกข์ประตูหลายอย่างที่เคยทุกข์กับเราตั้งจะเกิดจนตายตั้งแต่เตมื่อวันคนนี่ถือว่าได้พิสูจน์แล้วคำสอนของพระเจ้าถ้าเราไปธรรมะมันไม่มีจริๆงๆเนี่ามทุกขความหลงมันก็ไม่มีเวลาเราปฏิบัตใิใหม่ๆความหลงเนี่ยโอ้ยมากเกิน อางการก็อาาทางใจก็คิดไปตั้งหู้หูหรือริ่งกายใจกวดขากวดแขนกวดหลังกวเดเอวชอบบากไม่ชอบบากพอใจไม่พอใจหาความพอดีไม่มีทางทใจสมมติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบยินดียินลย้ลยอยู่ตรงนั้นเป็นคบเป็นชาติเลย ถ้าเรามาปฏิบัติทำเนี่ยมามีธรรมสะสังมีสติใจสิค่อยๆสร้างขึ้นมามันจะเห็นมันจะค่อยแย่ไปเห็นอะไรเห็นมันหลงงอหลงเราทำไงมันก็รู้ขึ้นมาทําไมที่จะรู้ว่าสร้างอยู่นี้มีการเคลื่อนไหวอยู่นี้รู้ได้ไหมรู้ได้ ถ้ามีควมรู้ที่มือที่สร้างจังหวะอยู่นี่เมื่อเวลาใดที่มันคิดขึ้นมามันล้งไปกลับมาได้กวดรังกวาเดีวเอ้าก็ดูวันเห็นมันวันนี้ก็พูดกันกับนักปฏิบัติเขาก็ข้ามล่วงข้ามพ้นจากความปวดความม่อยได้ไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติต่ยิงย่งใหญ่มากปวดหลังก็โอ้ยปวดเอวก็โอ้ยปวดขาก็โอ้ยนะยอมมันลยถ้าเราไมา่รู้รู้เลอ่านะเห็นแล้วรู้แล้วมีอะไรมีสติก็ปวดถ้าพามีสติไม่ทำให้เราขาดสติเลยนะเราดู เอาไปกำหนดรูปได้ทุกอย่างแล้วสร้างปฏิดญญาเป็นการดูแลรักษากายใจของตัวให้อยู่ในความชอบกอดีกอดีเอาไปใช้ได้เดี๋ยวนีกำหรด เป็นปจจตังเดี๋ยวนี้ปัจจดตังเวลานี้อีกสี่สิ่สี่ปีมันจะเป็นปัจจจตังวันนี้วันนี้จะเป็นวันหน้าหลวงพ่อเคยเพูดแล้วพูดถีประสบการณ์กับ กาปรปฏิบัติของหลงปูเทียนมา40กว่าปีเวลาเป่วยอยู่กับคุณพองกับคนของกมหลวงพ่อของผมประสบการณหลวงปู่เทียนมันเป็นวันนี้จากที่เคยผ่านมาแล้ว40 40ปีมันไม่ใช่40ปีมันเป็นวันนี้ของหลวงพอ่อไม่เป็นนานนู่นมันเป็นวันนี้ มันเป็นวันนี้ทุกเวินาทีเทวดทาการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปหาไม่ได้รอไม่ได้หมดไปไหนของจริงนี่ไม่หมดไม่ลืมไม่ เ, เหมือนเราไปจำเอาการเห็นบูคเหตุการลืมไหมไม่ลืมเลยเห็นคนไม่เที่ยงลืมไหมไม่ลืม เห็นความไม่ทุกข์ลืมไหมไม่ลืมเห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเห็นความไม่เที่ยงขี้หน้าตัวไม่เที่ยงเอาที่้งก็แล้วให้ความไม่เที่ยงมนเราไปนั้นก็ขยับทิ้งลงไปในความไม่เที่ยงแล้วเอาความไม่ทุกข์ไม่ไม่ลืมก็ทิ้งลงไปอ่านคือความมทุกข์ ตนที่จะอยู่ในความไม่เที่ยงตนที่มีอยู่ในควา ม, มทุกข์ไม่มีมีแต่สติคำประชันยะกาหนดรู้โดยการรู้กำหนดรู้โดยการเท่ากำหนดรู้โดยการละสภาวะธรรมนมันข้ามล่วงเลยนะไม่ใช่เอามาจํามาสักมาเจาะไปเจะ เลยมันเราคัดไม้เราคัด เ, เลือกซื้อของไม่ดีไม่ต้องเลือกอันเดียวทีที่ก็อันเดียวไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเล่าเป็นเจอัอนเดียวกันเนี่ยของจงก็งเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีสิทธิที่เราจะทำงานแต่เราไม่ใช่สิทธิของเราเช่นมันหลงเราไม่ใช่สิทธิในความรู้สึกตัวเพราะเราก็ของชีวิตเราชีวิตเราเลยเป็นชีวิตแห่งความหลงแทนที่จะเป็นชีวิตแห่งความรู้ สตัวเราต้องใช้สิทธิ์นีสิทธิ์เย็นวันโกรดแล้วมีสิทธิที่จะไปโกรธวันทุกเว่าไมีสิทธิที่จะไ้ทุกใช้สิทธิของเราเลยหัดเหมือนเรามีในทมีทรัพย์สิสนแล้วสิปีสิทธิของเราชอบด้วยตัวบททนหมาย ลองรับสิทธิอันนี้ไม่มีเลยมันลองรับสัจธรรมสัจธรรมความจรงิงความหลงมันไม่จริงหรอกความรู้เนี่ยมันจริงกว่าความโกรธมันไม่จรงิงความรู้จริงกว่าสิทธิคือความจรงิงใครบอกใครตัดสินทีภาคสาตุลาการหรือไม่ใช่ทำก็เป็นรม ธรรมก็เป็นธรรมเสมอไปทุกข์ก็มาทุกข์ก็เป็นหย่อนี้มปรู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าคนพบตัตจลู่มาเนี่ยตันนี้ผ่านไปแล้วสอง0ันห้ารอยห้าสิบปีอันเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่คนละเลือดกันวันที่พระพุทธเจ้าตัสรลู้วันเป็นเดิอนหกที่ผ่านมา อ, อันเดียวกันเน่ย พระพุาตัดจารเพื่อเราไม่ใช่เพื่อไทยเพื่อทุกชีวิตที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่มีรูปมีนามอันเดียวกันประเทศไทยเราก็สืบมาตั้งแต่นานมาแล้วภาพประเหต์เถิดละ เอาปฏิสัทธิเ์เถอะละเด้อจำไม่ได้นะเป็นผู้นำมาเผยแค่คอามาสู่งไทยเราตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่ไม่มีใครเจียู๊งโง่มรรคอะไนี้ถ้าเราปีแล้ว เจระเจ้าอะไรที่บอกไปเจ้ามาบอกถึงวันนี้มีผู้บอกความจริงอยู่ทุกวันมาอสกันอยู่ทุกวันเราไม่ใช่คนโง่ที่จะให้อะไรหลอกเราเองง่ายทุกคนมีสติปัญญาั้งนั้น เราไปไปฏิบัติธรรมเราก็เอาขอบเอาควารู้ไปไปทำอย่างนี้คปทำอย่างนี้ไม่ใช่กงเง้าไม่รู้อะไรเพราะไปปฏิวัติธรรมความรู้ที่เรารู้กับอาการที่เราเห็นเนี่ยของจริงก็บอแต่ก่อนก็มี ที่ทีรีตองเยอะะคาถาอาคามสมุดบรยัตยิมามารอมาลูกธรรมะเข้าใจดีสติเข้าใจเห็นข้ามร่วงได้ไมันก็เป็นอันนี้จะเป่าเหตุเอาผลไม่ได้ลงตัวอยู่โดยชอบพอดีดลยจะสร้างลงมาสร้าง อามาประกอบอย่าแปลวเหตุผลอย่าแปลวความชอบความไม่ชอบอย่าแปลวความเป็นหนุ่มเป็นสาวคนดีคนชั่วคนรอบคนรวยคนทุกข์คนจ น, น, น, น, นไม่เอามากาหนดไม่ได้แต่เราดั้งอยู่เราลู่ตัวเด่น อันนี้จะกำหนดเราจะเป็นคำที่ลิขิตเราไปอย่าแปลบุกคนเป็นที่ตั้งเขาจะสอนอยังไงเขาจะพูดยังไงเอาไว้ฟังก็ได้แต่ว่าเราทำเนี่ยไม่มีหลักอีกแลยใครพูดผิดใครพูดถูกถ้าเรามี ควารู้สึกตัวเช่นเราเคยโกรธเราเอาชนะความโกรธเราเคยหลงเอาชนะความหลงเอาเคยทุกข์เอาชนะความทุกข์ได้บ้างเด้บ้งน้อยถ้าเห็นคนอื่นเป็นเหมือนเราเราก็รู้เรารู้เราเองแล้ไม่ใช่เป็นรู้เราถ้าเรารู้เราแล้วเราก็รอดได้ถ้าเราไม่รู้เรา ไม่ใช่หลอดเพราะด่าเร า, ดเราก็เป็นรุกเพรากย่อกยองเราก็เป็นศุกเพราะคนหนึ่งได้ิีดเราแต่ถ้าเร า, ม, ามีหลักของเราแล้วเราได้ขีดตัวเราเองเพราะในโลกนี้เราไม่ได้หยุดก๋วเดี๋ยวนี่เราสมควรมากมากเลยรีบด่วนจวก่อน โบราณท่านว่าพายเพล่พ่อจะั่งรอ่ายตลาดจะวายสายวัวจะเน่าตลาดจะวายตะวันจะสายสายวัวจะเน่ามันก็ไปเรื่อยๆชีวิตเราเรอให้มันเน่าเสร็จแล้วมันไม่ร่าคกา เวลานี้เคลื่อนไ ห, หวสิบสจังหวะถ้าลู่ทึกจังหวะมันก็มีครงถ้ามนเน่าหลอนทำไงก็ไม่รู้ด้วยไปสอนเศรษฐีคนอย่างอยู่กรุงเทพเขาไปสร้างกติให้หลวงพ่ออยู่ที่ระยอนเขาถวายวัดให้ที่ระยอมเขาไปสร้างกติกแล้ว ลูกเขยเขาก็อยากให้เราไปสอนแม่ยายเป็นคนมีเงินมีทองขายที่ได้เป็นคำคำล้านของพ่อไปนั่งเทศสุเป็นชัว่วโมงวอให้พลิกเบือสังหรณ์ที่ พอให้พริกมือให้ลูกจึตตัวสาวใส่ตะก้ามามืองันก็ไปหาตะก้าไปปวดไปไปสร้างพระประธานที่นั่นสองล้านไปสร้างโบสถ์ที่นั่นไปทอดกรเดิ่งเนี่ยไปเป็นประธานเนี่ยไปอ้าวอย่าไปอย่าไปโยมมาอยู่ดี่ไปอยู่นี่นั่งสอนอยู่ให้ลูกจิตที่มีอไม่ลุกเลยเอาอยุเจ็ดสิบกว่าปีเกือบแปดสิบปี ไม่รู้จริงๆเรียกว่าตาวันกะสายสายบวัวเป็นเน่าแล้วไม่มีาราคาเอามาสร้างตัวลูกได้เลยจะรอให้ถึงนั่นเลยเคยสอนมาแล้วเคยั่งอยู่สอนอยู่เป็นชั่วโมงไม่รู้อะไรเลยมีมีแล้วอะไรมันเอาไปมันไหลไปกับต่างจัามาัดที เอาเงินไปให้พระสระ้างเขาธะรูปองค์ใหญ่จุ๋ยพระเขาว่าเอาไปสามแสนก็พอละพอสามแสนให้ไปเอ้ายังไม่เสร็จอีกเงาอีกเป็นนันลานไม่เสร็จเลยเราคุณตรูลเรียกว่าพระโกงก็มาคิดแล้วนะันเอาให้เท่าไหร่เขาก็จะพอพูดคนเดียวหลวงพ่อแม่จะถามพูดปะไอ้ทนาทนั้น กินหมกนต้ามาไม่ทำอะไรก็ไม่เอามาเี้ยก็จับมาวางไว้เอามือจาวลงไปในะกาาไปก็ไม่เอาอาจกกไปแล้วก็ยกกระถาหมกมาไว้ล้ก็ยกไปูว่าเอาไนั้นพวกเราจะให้ลมไว้นั่นอโอ้มันก็สายบัวเราแล้ว เกินแต่เด็กสืบตะหนุไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่สุโขทัยยุกับท่านทั้งหลอยรู้เอาเอาท่านรู้ไปใส่อย่าไปเพิ่มแหุ่ท่านหลมเอามันมีท่านหลมนะติดเหล้าติดปุรีติดอะไรต่งางๆมีเหมือนกันท่านหลง ต้องเพิ่มคาลูไปถ้าหลงมันจะมีหมดไปเองไม่ต้องไปแช่ถ้าวันหลงเดี๋ยวก็ลูกกันมาลูกกันมาวันหนึ่งเรามีความลูกเกิดจากความหลงมากมายอย่าให้มันหลงฟรีๆเอาไปกินแล้วความหลงจนปงจนแต่งจนยินดียินลายแบบกี้ ต้องออกกินมาต้งมาลูได้ความรู้จากความหลงได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จากความไม่เที่ยงได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จากความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันงอกมังามอยู่กับสานนี้ในความไม่เที่ยงก็เป็นความรู้เมื่อเราสวดคิาความไม่เที่ยงเป็นนิพพานความเป็นทุกข์ก็เป็นนิพพาน ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็น น, นิพพานจนถึงแบบที่เบตก็สอนเรามองคนทุกคนฟังเสียงทุกเสียงให้เหมือนเสียงพระสวดมนต์มองคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมี น, นิพพานอยู่ที่นั่นเอาบัานนั่นนะที่เบตเขา ก็สอนเงินจริงๆที่เด็กฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระจัวโมนดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าคนทนั้งหมดไม่ใช่คนที่น่ารักคนที่น่าเชื่อยู่ที่ไหนมีนิพพานจริงๆนะนินพพานคในเราคือไม่คือไม่ไ ม, มีตัวมีตนเทียบเป็นอะไร เป็นทุกข์ก็ไมีตัวตนที่เป็นทุกข์เป็นสุขก็ไม่มีตัวตน ท, ที่เป็นสุขไม่มีตัวนตน ท, ที่เกิดไปชยยใช่จะเกิดสภาพแบบนะั้มีแต่ตัวตน ท, ที่พึ่งได้คือรู้สึกตัวแต่ก่อนเรามีตัวตนเต็มไปหมดความไม่เจ้ยงคือเราความทุกข์คือเราความร้อนคือเราควหนาวคือเราควหิวคือเร า, คว า, เราความปกกวดก้มเมื่คือเรา เราได้จักตั้งแต่ทีแรกเขาลูบลูปลูนาเห็นรูปเห็นนามันเป็นอาการของรูปมันเป็นอาการของนางเป็นความร้อนมีเหมือนกันแต่ผู้ที่เห็นรูปเห็นนาเขาจะบอกว่านี่มันเป็นอาการของรูปลูบมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นไม่ใช่ตนที่เป็นผู้ร้อน มันทุกข์มันโุกเป็นอาการของรูปไม่ใช่รูปเป็นเป็นโุกไม่ใช่รูปเป็นเป็นทุกข์เป็นอาการถ้าจะปอบแบบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มองว่ามิจะทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มิจะทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกขตั้งอยู่ทุกข์ระไปไม่มีอะไรเลยชีวิตของคนเรา เห็นอย่างนี้เมื่อไหร่จึงจะเห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลเาเดี๋ยวนี้นะอาคุ้มเดี๋ยวนี้จะใจลอยอะไรมันกขึ้นรู้แจ้งมันีมีสติอย่าไปคิดหาคาตอบวยังไม่ตอบ่ามีสติได้แล้วสติมันค่อยเฉลยทีหลังบางที เหมือนเรามาจากลาพนนะวศกไม่เคยมาสุกโตไม่ต้องไปคิดออกจะไปยังไงไปอยู่ยงไงเนะอะเอ้ยไปอยู่ยังไงเราออกจากบ้านมาแล้วขับมาแล้วจะไปอยู่ไปกินยังไงไม่ต้องไปคิดสุกโตไปังไงไม่ต้องไปคิดพอมาแล้วข่านตรงไหนไม่จะรู้ออกจาลาพนก็ผ่าน จังหวัดํำปางเจ๊ไหมจากลป า, างก็จังหวัดตากสุโข ท, ท, ท, ท, ทัยกบแปเอทอพิเซโรเพเธบูลโข้าขอเจ็มาถึงใจผคลโอ้มันก็มองกลับไปมันทะลุไปเลยตอบได้อันนี้ก็มบวนกัรอยากไปตอบ ก, อ ก, ก่อนรู้ก่อนรู้ ผิดก่อนผิดมันก็ตอบได้แต่ว่าไม่เิ่งถ้ามันเห็นทำให้มันเห็นเห็นอะไรเห็นมันรู้อยู่เนี้ยเห็นอะไรเห็นมันหลงอยู่เนี้ยถ้าเห็นมันหลงทำไมมีความรู้อยู่เนี้ยได้แก้ไปความรู้ความหลงไม่ได้แก้ไม่ได้ไปแก้มันมันเป็นธรรมชาติเป็นปกของธรรมชาติ มีแต่ธรรมชาติมีแต่กฎของธรรมชาติาาตคือธรรมะเรียกว่าอิทับปัจจิยตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็อิทับปัจจิยตาผู้ใดเห็ น, น อ, อิทับปัจจิยตาผู้นั้นเหน็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นอิทับปัจจิยตาผู้นั้นไม่เห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผูนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย มันมีให้เราต่อต่อเดี๋ยวนี้เลยจะเลยเดี๋ยวนี้เลยเปลี่ยนเดีวนี้เปลี่ยนในหะ้เปลี่ยนมันหลงรู้สึกตัวมันทุกข์ก็รู้สึกตัวไ้ก่อนเราด่วนนะทางด่วนนะฟรีเวนะไม่ใช่ไฮเวย์ Hi way. เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขามีไฮเวย์ Hi way. แต่ว่าสารลัดนี่ก็เ <c oughs> ี็นฟีเวฟีเวานีของเขาเนียถ้าร ถ, ร, ถ ร, ถ ร, รถนั่งก็เปเฉพาะรถนั่งไม่เีรถบัรทุกร่วมรถนั่งก็เสียแล้วหกรอ้อไปวิ่งด้วยไม่ได้แต่ถ ร, ถรถบันทุกก็เฉพาะรถวันทุกรถนั่งเดียไปวิ่งของไงล่ะถ้าฟีเว่ พ่มบ่ ม, บ ม, บ ม, บ ม, บม่ัประเทศไม่มีอะไรไม่มีใครแบงไปเทียเรีะว่าฟรีเวยหลวพ่อเขาไปอยู่แนละ้วเก ย, ยไปนั่งฟรีเลยแต่พวกมึแบบไอ้แต่พิศตร์เกยก็คุยกันกมีพระเล่ารูปหนังนั่งราก็เด็กกันเป็นไงอาจารย์อเที่ยว สาระในเป็นไงนั่งรถมาเป็อมันก็มีสองขั้นทางเหมือนกันกับประเทศไทยสองข้างทางมีอะไรบ้างก็มีบ้านคนบ้านมีป่าไม้บ้านมองไปข้างหน้าก็เป็นถนนมันก็เหมือนกันแหละไม่มีอะไรแปลกเก่อไปอลยเขาเรียกว่าเราจะตืเต่นโอ้กันเตือมหนอยนะเมืองนี่มันเตือนน่อเมืองนี่แต่ว่าจริงนี่มันสะดวกก็คือฟรีเลย เพราะนั่นเลยชีวิตเราปฏิบัติธรรมะแบบสตินี่มันเป็นฟรีเวกใช่มไหมก็เรียกว่าอะไรลืมหรือเปล่ า, ล า, าก็ไม่รู้ฟรีเวกภาพเวใหเวอะไรอะไรทุกอน่านเป็นภาษาสมมติเที่ยวกันให้เย็ปรมัาณปรมัาณคือเราเนี่ยนะให้มันผ่าน คำว่าผ่านนี่คือฟรีเว่มันหลงผ่านความหลงได้ไหมนานไหมมันโกรธผ่านความโกรธได้ไหมนานไหมยีวัน่ะคือโกรธไดกันทั้งสองวันไหมถ้ามีพิรุนะสองวันมี้ไหมนะเฮ้ยไม่เอาต้องฟรีเว่ไปให้คนนั้นเดี๋ยหยุดจนถึพอแล้วพอแล้วพอแล้ว บอกลื่อบอกันพาะอะดทีกสนทำสุขภว่ว่าในบ้านบ่นแล้วเพแล้วแล้วา้วประโยชน์ตัผิดแล้วก็แล้วไปจแก้มาอยู่นี่ลยไปย็นเล่ามาอเขาด่ายเงินเสียทองเรื่องการนันหรือไปทางหมเสียหายไปเขาด่ามันถูกต้องแล้วชอบทานะ ถ้าคนที่รักเราเขาไม่ด่าไม่แยกคนรักเราคนที่รักเราเขาด่าเรานั่ความรักความดา่าความติคิดเน้นความขี้ทุกผู้ใดขี้ทุแล้วขี้โทุกข์เป็นหยุดผู้นั่นคือผู้ขี้ผมชอบให้ป เ, ปเราควรคบกับบุคคลที่เป็นอย่างนั้นเมื่อคบกับบุคคลที่เป็นเช่นนั้นอยู่มีจะดีไ่ายเดไม่มีเร็วเลยใครแหละเป็นคนขี้ทุกขเรา พ่อแม่อา ญ, ญาสารีมองนั้นที่ตัว เ, เป็นผู้ที่สงสทรทั้งเราจะไปโปรธอย่าหลวงพ่อสอนพระบวชใหมบัด น, นี้เราเป็นภาระต่อ ก, กันแล้วนะภรลาของท่านต้องเชื่อฟังเราเวระของเราก็ต้องสอนสั่งสอนท่านให้ทั้งยังคนดี เวลาสอนอยากโกรธนะบองทีสอนกันเยโกรธก็รู้ว่าไปร้องพอนะจะไปโกรธกันถ้ามันผิดปล่อยก็ต้องที่โทษปล่อยแต่ว่าไม่จู้จี้ อ, อ, อ, อะไรอยู่กันเพราะอะไรจึงอยู่กันสงเพราะเขามีสติเขามีสติเขาก็สอนเขาเองนะ เราปกครองเราไปได้ปกครองเหมืนแบบตัวเรียบเห็นไหมเรียบปิดไปเสาเนี่ยไม่มีติดไปประตูหน้าต่างนี่ไม่มีนะถ้าเราเป็สติไม่ต้องกาาถึงแม้มีก็ไม่ต้องบ้าเรารู้มันก็จะทังมาทางกายทางวาจาทางใจเราไม่สติก็ปิดประตูได้ห้ามได้เจื่อได้ ไม่ต้องหาอาจารย์เขาวาดไปแค่เจ้าวาดเขาไปอยู่นี่นะถ้าผิดเราไม่ไมีเจ้าวาดมาแค่นะเจ้าวาดอยู่ผู้หลงอยู่นี่พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่แต่เพื่อนกันนะไม่อยากเป็นอาจารย์เ ข, ขาใครให้ตัวของท่านเป็นอาจารย์ของตั้นเองเตือนตัวเองเราของเราเองเตือนตัวเราได้โดยสีทได้ถรือไม ตัวของเราเองติตัว an, ตัวเราได้โดยสิทได้หรือไม่ให้เราเตือนตัวเราเลไควรอะไรไม่ควรให้มีสติมันค่อยดีไปค่อยดีไปเราพบกันด้วยสติด้วยความรู้สิตตัวไม่ใช่พบกันด้วยอาจารย์ใหญ่อันนี้เป็นเจ้าว่าดงาไม่ปีนะเป็นเพื่อนกัน คิดที่จะช่วยเหลือในการดับแบบนี้ให้มีรรรมรลกทำสรุปแล้ววันนี้นะมีสติธรรมสัญญาใช่ลงไปใช่แก้ปัญหาที่เกิดกับใจกระใจได้ทุกเรื่องใ ช, ใช้เฉลยปัญหาที่มันเกิดกับใจกระใจได้ทุกเรื่องสติธรรมสัญญา เมื่อเราไปเงินเอามาชื่อเข้ากินทํามาชื่อไปหอมเอามาชื่อสร้างบ้านไปนั่งรถนั่งเรือยักษขาโลได้เป็นปัจจัยอาศัยได้สตินี่เป็นปัจจัยมากกว่าดังมากกว่าดัเรียกว่าอภิญญาทรัพย์พระลาหุนมาขอทรัพย์จากพระพุทธเจ้ามาขอของเป็นพระสัตว์แทนก็ พ่อเลยพ่ออริสัพเนี่อันนั้นใช่อริสพเป็นซัพภายนอกก็มีนะมีมากสุโตธะโธโททนะอะิโตทระอ น, นิโตทะ น, นทะลวดเดวเศรษฐีทางนั้นอ่าสโตทระก็เป็นเศรษฐีเข้าจาก น, นวราโโททนะทนะคือคือซั์ อามิโตธนะก็คือทรัพย์พระคือทรัพย์เป็นธนาคารทรัพย์มีมากนะแต่ว่าพระเจ้าให้ทรัพย์อันนี้จะลูกชายคือคเราเราบางคนจจับไดว่าของทรัพย์อันนี้ไปเลยทรัพย์นั้นก็ไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ใช่ใชเป็นพระเจ้าแผ่นดินะไม่ต้องโทษเรามี มีเขาไม่ไปบ้านใช่ได้ครับแต่ว่าวาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ให้ทิ้งอยากขี้เกียจที่จะรักษาบุตรีอย่าไปโศกเราอย่าไปกินอย่าเป็นคนสุลุย่ยลาเราสอนอย่างนี้มาเนี่ก็ต้องไม่ทำอะไรอาหารก็ตามใจตามวนะ่แล้วก็ค่อยจะเที่ไปเทียนะ่ยเียวอะไรอย่าให้มันชิ่นเกอน พอมีสตินี่ไม่สิ้นเตืองนะถจอมเหมือนเขาถานอมมาหาไม่สิ้นเปียงพลังงานมีสติทั้งวันเนี่ยแล้วก็วันวันก็มามาทำงันอ่าก็่อยภายในก่อนเชอบวันนี้อากาศภาคกัา <c oughs>